เนื้อสัตว์เนื้อที่ควรฉันและไม่ควรฉันการเป็นพระมีความเป็นอยู่เนื่องด้วยผู้อื่นพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้พิจรารณาอยู่เสมอว่าบรรพชิตควรพิจรารณาเนืองเนืองว่าชีวิตเรามีความเป็นอยู่เนื่องด้วยผู้อื่นควรทำตัว ให้เขาเลี้ยงง่ายดังนั้นพระพิสุจึงต้องเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายซึ่งก็เท่ากับว่าได้ประพฤติตามคำสั่งสอนของพระศ า, าสดาเมื่อชาวบ้านถวายอาหารที่ประนีตหรือเศร้าหมองก็ต้องฉันเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปได้ในวันหนึ่งหนึ่ง คือฉันแก้หิวแก้ทุกข์ฉันเพราะจำเป็นต้องฉันเท่านั้นดุจมารดาบิดากืนกินเนื้อบุตรของตนฉะนั้นไม่ควรที่จะฉันเพื่อประโยชน์อย่างอื่นเลยเรื่องการฉันอาหารนี้มีพระวินัยอยู่หลายสิกขาบทที่เกี่ยวข้องกับการฉันอาหารของพระพิสุ เมื่อเป็นเช่นนี้อาหารที่โยมนำมาถวายไม่ว่าจะเป็นปลาหรือเนื้อที่สุกแล้วก็ตามก่อนฉันต้องพิจารณาดูก่อนว่าเป็นปลาหรือเนื้อที่สมควรกับพระวินัยอันเป็นตัวสิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงห้ามฉันหรือไม่เพราะปลาและเนื้อ มีสองอย่างคือหนึ่งปลาและเนื้อที่ทรงอนุญาตไว้คือฉันได้ไม่ต้องอาบัตได้แก่ปลาและเนื้อทั่วๆไปที่ทรงอนุญาตให้ฉันได้แต่ต้องประกอบด้วยลักษณะสมอย่างคือพิสุไม่ได้เห็นไม่ได้ยินและไม่ได้สงสัยว่า เขาฆ่ามาเพื่อตนโดยเฉพาะปลาและเนื้อเหล่านี้เรียกว่ากัปปิยะมังสะเนื้อที่สมควรที่เขาไม่ฆ่าเจาะจงถวาย 2. ปลาและเนื้อทั่วไปที่ทรงอนุญาตให้ฉันได้โดยไม่ประกอบด้วยลักษณะสามอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคือพิสุได้เห็น ได้ยินและสงสัยว่าเขาฆ่ามาเพื่อเจาะจงตนโดยที่เขาปลารบถึงพิสุ ก, ก่อนจะทำการฆ่าฉันไม่ได้ถ้าฉันต้องอาบัตปลาและเนื้อเหล่านี้เรียกว่าอุททิสะมังสะปลาและเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจงถวาย ปลาและเนื้อที่สมควรที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พิสุฉันได้คือปลาหรือเนื้อที่เขาไม่ได้ฆ่าเฉพาะตนพิสุทั้งวัดหรือสหธรรมิกห้าพิสุพิสุณีสิกขามานาสัมมาเนนและสัมมเนรีแต่เป็นปลาและเนื้อที่เขาฆากินเองฆ่าเลี้ยงต้อนรับแขก หรือเจ้านายที่มาเยี่ยมบ้านหรือจะเป็นปลาตายเนื้อตายที่ซื้อมาจากตลาดซึ่งเป็นเนื้อทั่ ว, วไปมีเนื้อวัวเนื้อควายและเนื้อปลาเป็นต้นปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์โดยส่วนสาคือพิสุไม่ได้เห็นไม่ได้ยินและไม่ได้สงสัยว่าเขาฆ่าเฉพาะตน พิสุทั้งวัดหรือสหธรรมิกหซึ่งเป็นปลาและเนื้อที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้ฉันได้ไม่เป็นอาบัติปลาและเนื้อที่ไม่บริสุทธิ์โดยส่วนสามคือพิสุได้เห็นได้ยินและได้สงสัยว่าเขาฆ่าเฉพาะตนพิสุทั้งวัดหรือสหธรรมิกหซึ่งเป็นปลาและเนื้อ ที่พระองค์ไม่ทรงอนุญาตไว้ฉันไม่ได้เป็นอาบัตสมดังพระดํารัสที่พระองค์ตัดกับพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุรู้อยู่ไม่พึงฉันเนื้อที่เขาทําเจาะจงรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตปาและเนื้อที่บริสุทธิ์โดยส่วนสาม คือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินและไม่ได้รังเกียจสงสัยปาหรือเนื้อที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงอนุ ญ, ญาตให้พิสุฉันหากว่าเนื้อที่เขาเจาะจงเพื่อพิสุทั้งหลายในวัดหนึ่งและพวกเธอไม่ทราบว่าเขากระทำเพื่อประโยชน์แก่ตนแต่พิสุรูปอื่นรู้ พวกใดรู้ไม่ควรแก่พวกนั้นแต่ควรสำหรับพวกที่ไม่รู้นอกนี้พวกอื่นที่ไม่รู้แต่พวกเธอเท่านั้นรู้ย่อมไม่ควรเฉพาะพวกเธอเท่านั้นแต่ควรสำหรับพวกอื่นแม้พวกเธอรู้อยู่ว่าเขากระทาเพื่อประโยชน์แก่พวกเราแม้พิสุพวกอื่นก็รู้ว่า เขาทำเพื่อประโยชน์แก่พิสุพวกนี้ไม่ควรแก่พวกเธอทั้งหมดพวกพิสุทั้งหมดไม่รู้ย่อมควรแก่พวกเธอทั้งหมดอันหนึ่งบรรดาสหธรรมมิกทั้งห้าป่าหรือเนื้อที่เขาทำเจาะจงเพื่อประโยชน์แก่สหธรรมมิกรูปหนึ่งรูปใดก็ตางย่อมไม่ควรแก่สหธรรมมิกทั้งหมด วินัยสังหะอัตกถาแปหน้า36ข้อ39ที่ว่ามานี้เป็นการจำแนกจำพวกป่าและเนื้อที่เขาฆ่าเฉพาะตนพิสุทั้งวัดหรือสหธรร ม, มิกห้าโดยสรุปได้ว่าถ้าเขาฆ่าเฉพาะพิสุรูปใดรูปนั้นฉันไม่ได้รูปอื่นฉันได้ ถ้าเขาฆ่าเฉพาะพิสุวัดใดพิสุวัดนั้นฉันไม่ได้วัดอื่นฉันได้แต่ถ้าเขาฆ่าเฉพาะสหธรรมิกห้าพระทั้งหมดไม่ว่าวัดไหนก็ฉันไม่ได้ปลาและเนื้อที่ไม่บริสุทธิ์โดยส่วนสาคือได้เห็นได้ยินและได้สงสัยว่าชาวบ้านเขาฆ่ามาเฉพาะตน เช่นชาวบ้านบางท้องถิ่นชอบนิมนต์พระที่ตนเองคุ้นเคยและศรัทธาว่าวันนี้ขอนิมนต์ท่านอาจารย์ไปฉันข้าวในป่าพวกกระผมจะหาอาหารป่าถวายพระก็ไปตามคำนิมนต์ของโยมพอไปถึงป่าโยมบางพวกถือแหถือไข่ลงห้วย ทอดแห är, ดักขข่เอาปลาช่อนบ้างปลาดุกบ้างตัวโตๆขึ้นมาจัดการทำอาหารพวกลาบต้มยำต้มโค้งบางพวกเอาบวงเอาแล้วไปดักกะลอกกระแตบางพวกเอาปืนไปยิงนกเมื่อได้มาแล้วก็ทำอาหารที่ตนเห็นว่าอร่อยที่สุด มีผัดเผ็ดนกบ้างผัดเผ็ดกระรอกบ้างลาบบ้างเสร็จแล้วก็ยกมาถวายพระก็ฉันอย่างหน้าตาเฉยทั้งที่เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์โดยส่วนสามคือได้เห็นได้ยินและมีความสงสัยถ้าเป็นโยมในเมืองก็มักจะนิมนต์พระที่ตนเคารพและศรัทธา ไปฉันอาหารป่าอาหารทะเลตามร้านอาหารป่าและร้านอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงพอไปถึงร้านอาหารโยมก็นิมนต์ให้พิเจนาดูสัตว์ตามที่เขาขังไว้ในกรงมีสัตว์เป็นๆทุกอย่างให้เลือกบางรูปก็ชี้ไปที่งูเห่าบางรูปก็ชี้ไปที่หมูป่าบางรูปก็ชี้ไปที่ปลาไหลเป็นต้น เมื่อท่านชี้แล้วทางร้านก็จัดการตามใบสั่งเช่นผัดเผ็ดงูเหา่าผัดเผ็ดหมูป่าปาลาไหลต้มเปรตเป็นต้นเสร็จแล้วก็นำมาถวายพระอาหารประเภทนี้ไม่บริสุทธิ์โดยส่วนสามพระฉันก็ต้องอาบัตที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้น ส่วนปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์โดยส่วนสามพึงทราบโดยในตรงกันข้ามที่กล่ามานี้เนื้อสิบอย่างยังมีเนื้ออีกประเภทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้โดยตรงซึ่งไม่ประกอบด้วยลักษณะทั้งสามอย่างพิสุจะฉันไม่ได้ทั้งนั้นจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม ก็ต้องอาบัตทันทีทั้งในขณะรับและในขณะฉันเนื้อสิบอย่างคือเนื้อมนุษย์ช้างม้าสุนักงูราชสีเสือโครง่งเสือเหลืองเสือดาวและหมีเนื้อเหล่านี้เรียกว่าอากขปิยะมังสะ เนื้อที่ไม่สมควรพิสุฉันเนื้อมนุษย์ต้องอาบัตทุนลดใจพระพุทธองค์ตัดไว้ว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายบรรดาคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสยอยู่เขาสระเนื้อของเขาถวายก็ได้ดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุไม่พึงฉันเนื้อมนุษย์รูปใดฉันต้องอาบัตทุนลดใจอันหนึ่ง พิสุยังไม่ได้พิจรารณาไม่พึงฉันเนื้อรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎพิสุฉันเนื้อก้าวอย่างที่เหลือมีเนื้อช้างเป็นต้นต้องอาบัตทุกกฎพระพุทธองค์ตัดไว้ว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุไม่พึงฉันเนื้อช้างมา้าสุนัขงูราชสีเสือโครง่งเสือเหลือง เสือดาวและหมีรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎเหตุผลที่ห้ามฉันเนื้อสิบอย่างท่านกล่าวไว้ในอัตถกถาว่าเนื้อมนุษย์ต้องห้ามเพราะมีชาติเหมือนตนเนื้อช้างและมา้าทรงห้ามเพราะเป็นราชพาหนะเนื้อสุนักและเนื้องูทรงห้าม เพราะเป็นของสกรปรกฉันเนื้อสุนักกลิ่นตัวแรงเหม็นเหมือนกลิ่นสุนักหากสุนักได้กิน่นก็เห่าและกัดได้เนื้อสัตว์ห้าจำพวกมีราชสีเป็นต้นทรงห้ามเพื่อต้องการความไม่มีอันตรายแก่พิสุทั้งหลายเพราะฉันเนื้อเสือกลิ่นตัวเหมือนกลิ่นเสือ เวลาเข้าไปอยู่ป่าเสือก็กัดเนื้อกระดูกเลือดหนังและขนของสัตว์สิบจำพวกมีมนุษย์เป็นต้นก็ไม่ควรทั้งหมดเมื่อพิสุรู้หรือไม่รู้ก็ตามฉันเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดานเนื้อสิบอย่างเป็นอาบัติรู้เมื่อใดพึงแสดงอาบัติเมื่อนั้น ไม่ถามก่อนรับด้วยตั้งใจว่าเราจากฉันต้องอาบัตทุกกดเพราะรับรับด้วยตั้งใจว่าเราจากถามก่อนจึงฉันไม่เป็นอาบัตอนหนึ่งเป็นอาบัตเฉพาะพิสุผู้รู้แล้วฉันเนื้อที่เป็นอุทิศมังสะเนื้อที่เขาฆ่าเฉพาะตน เธอรู้ในภายหลังไม่ควรปรับอาบัติแต่นมสดของสัตว์ที่มีเนื้อเป็นอกกัปปิยะเนื้อที่ทรงห้ามสิบอย่างพิสุดดื่มไม่เป็นอาบัติด้วยปกติแล้วพระควรระวังเรื่องการบริโภคนี้ให้มากถ้าตามใจปากตามใจท้องจะรักษาศีลไม่ได้และจะทำให้ลำบากในอนาคต เมื่อมีโยมเอาแกงปลาแกงเนื้อมาถวายเมื่อเกิดความสงสัยควรถามเสียก่อนว่าเนื้ออะไรทำเพื่อใครถ้าเขาตอบว่าเนื้อวัวครับผมซื้อมาจากตลาดทำกินเองแล้วแบ่งเอามาทำบุญส่วนหนึ่งครับอย่างนี้พระฉันได้ไม่เป็นอาบัติ โยมผู้อุปถากพระควรถวายปลาและเนื้อที่สมควรเท่านั้นอย่าถวายปลาและเนื้อที่ไม่สมควรจะทำให้พระต้องอาบัตเมื่อพระต้องอาบัตจะทำให้บุญกุศลของโยมที่ถวายทานลดน้อยลงพระรับและฉันอาหารดิบไม่ได้อาหารดิบ คืออาหารที่ไม่สุกด้วยไฟเช่นลาบเลือดและกุ้งเต้นเป็นต้นอาหารที่สุกสดดิบเช่นหอยแคงล่วกและน้ำตกเป็นต้นเมื่อพูดถึงอาหารดิบผู้ที่ชอบกินจะน้ำลายไหลเขาพูดกันว่าอาหารดิบมีวิตามินสูงรสชาติดีอร่อยแซบ่บหวาน โดยเฉพาะเนื้อดิบดิบหั่นสดสดจิ้มกับน้ำพริกทรงเครื่องบางท้องถิ่นเวลาข้าววัวหรือควายแล้วเขาจะหั่นเนื้อดิบดิบสดสดพร้อมเครื่องในเช่นตับไตไส้ปอดคุกเข้ากับน้ำจิ้มทรงเครื่องกินกันตรงนั้นเสียก่อนต่อจากนั้น ค่อยแบ่งกันเอาไปทำลาบดิบลาบเลือดลูกน้ำตกซกเล็กก่อนกินก็แบ่งไปถวายพระที่วัดพระฉันเสร็จแล้วบอกว่าอร่อยมากๆติดใจในรสชาติของลาบเลือดนั้นพอนึกอยากขึ้นมาก็ให้โยมบ้างให้สามเณรบ้างไปซื้อเนื้อดิบ ปลาดิบมาทำลาบเลือดก้อยดิบให้ฉันอีกบางครั้งโยมข้าววัวหรือควายก็มักจะแบ่งเนื้อวัวเนื้อควายดิบดิบให้วัดส่วนหนึ่งเสมอพอเห็นว่าพระชอบฉันเหมือนกันอาหารดิบที่โยมชอบถวายพระตามท้องถิ่นต่างๆเช่นลาบก้อย ปลาดิบเนื้อดิบลาบเลือดลูกน้ำตกซกเล็กกุ้งเต้นก้อยไข่มดแดงแหนมดิบหอยแข็งลวกหอยดองปลาร้าปูดองปูเค็มปลาจ่อมปลาส้มน้ำพริกปลาล้าสับและน้ำพริกกะปิเป็นต้นอาหารดิบเหล่านี้ เป็นอาหารที่โยมชอบกินกันและชอบถวายพระเป็นโยมจะกินอะไรก็ได้อย่างมากก็เป็นโลกพญาตใบไม้ในตับแต่พระจะฉันอะไรควรพิจารณาโดยใคร้ครวนถึงความเหมาะสมของศีลเสียก่อนว่าควรหรือไม่ควรต่อพระวินัยพระจะรับประเคีนปลาดิบเนื้อดิบ และฉันปลาดิบเนื้อดิบไม่ได้รวมทั้งอาหารสุกๆดิบๆก็ไม่ได้เช่นเดียวกันผิดต่อพระวินัยต้องอาบัตทุกกฎในเรื่องรับประเคนเนื้อดิบนี้แม้พระพุทธองค์ไม่ได้ปรับอาบัตไว้โดยตรงแต่ก็พอจะรู้ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมได้ตามหลักฐานดังนี้อันหนึ่ง พิสุพึงเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบพิสุเห็นเนื้อดิบที่เป็นเดนของเหลือกินแห่งสีหะเป็นต้นจึงคิดว่าเราจะเอาไปให้แก่สามเณรรับประเคนก็ตามไม่รับประเคนก็ตามนำมาให้ควรอยู่ถ้าอาจชำระวิตกให้หมดจดได้คือความคิดว่า นำมาเพื่อตนเองแม้จะขบฉันอาหารที่ได้จากเนื้อเป็นเดนแห่งสีหะเป็นต้นนั้นก็ควรไม่ต้องโทษอาบัตเพราะรับประเคนเนื้อดิบเป็นปัจจัยและไม่ต้องโทษเพราะอุขหิตเป็นปัจจัยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตการรับประเคน เนื้อดิบไว้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในเพราะอ า, าพาธเช่นนั้นว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตเนื้อดิบเลือดสดในเพราะอ า, าพาธอันเกิดแต่อมนุษย์เข้าสิงและทรงห้ามไว้โดยสามัญว่าพิสุย่อมเป็นผู้งดเว้นจากการรับประเคณเนื้อดิบแม้โดยแท้ พระอมลาภิรักกิตะเทระผู้รจนาคัมภีสัตตรปรัปภาพบุพะสิกขาและบุพะสิกขาวรนนาได้กล่าวถึงเรื่องการรับเนื้อดิบปลาดิบและการฉันเนื้อดิบปลาดิบไว้ในมังสะกะถาว่าพิสุอย่ารับเนื้อดิบและปลาดิบอย่าฉันเนื้อดิบและปลาดิบ ท้ารับท่าฉันต้องทุกกฎด้วยอัตถกถาจารย์ท่านอาศัยคำในพระสูตรว่าอามะกะมังสะปะติคาหะนางดเว้นจากการรับเนื้อดิบและอาศัยพุทธานุญาตว่าอนุชานามิภิกขเวเปปิวิตุง อมะกะโรหิตังดังนี้ห้ามไว้ว่าเนื้อความในพระสูและพระพุทธานุญาตว่าพิสุย่อมเป็นผู้เว้นจากการรับเนื้อดิบว่าเราผู้ตถาคตอนุญาตให้พิสุผู้ถูกอมนุษย์เข้าสิงกายฉันเนื้อดิบก็ได้ดื่มเลือดสดก็ได้ เพราะอาศัยคำทั้งสองนี้อาบาัตินี้ชื่อว่าบาลีมุตตะกะทุกกฎยกเว้นเฉพาะพิสุผู้อาพาธถูกผีสิงฉันเนื้อดิบดื่มเลือดสดสดได้ไม่ต้องอาบัตทุกกดสมดังพระพุทธดำรัสที่ตัดไว้ว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตเนื้อดิบ เนื้อสดในเพราะอาพาธเกิดแต่ผีเข้าถ้าพระรู้ว่าเป็นอาหารดิบก็ให้โยมทำให้สมควรเสียก่อนคือเอาไปทำให้สุกด้วยไฟก็จะไม่มีโทษทางพระวินยัยและไม่เป็นโรคอันเกิดจากอาหารสุกดิบๆนั้นด้วยทางที่ดี โยมควรถวายอาหารที่สุกแล้วเท่านั้นแก่พระการถวายอาหารสุกนั้นพระฉันไม่ต้องอาบัดโยมก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ช่วยให้พระได้รักษาวินยัยได้อย่างเคร่งครัดการถวายทานก็จะได้กุศลผลบุญพอกพูนเป็นทวีคูณพระ ควรแนะนำสิ่งที่ถูกที่ควรแก่ญาติโยมไม่ใช่จะอนุโลมตามญาติโยมอย่างเดียวเป็นธรรมดาของญาติโยมที่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกโยมกินอะไรเห็นว่าอร่อยก็มักจะนำอาหารนั้นมาถวายพระเพราะความเข้าใจผิดคิดว่า จะได้บุญมากนั่นเอง